สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่ย5ข้อ15จนถึงข้อที่20สครับสุภาษิตบทที่ย5่5ข้อ15ถึงข้อที่20ปโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าความอดกัน้นอาจชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นอ่อนหวานอาจโน้มน้าวใจให้อ่อนลงได้ ถ้าเจ้าพบน้ำพึ่งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาอย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆเกรงว่าเขาจะเอื้อมระอาเจ้าและเกลียดชังเจ้าผู้ใดเป็นพยานเท็จกล่าวหาเพื่อนบ้านของตนก็เหมือนกระบองศึกหรือดาบหรือลูกธนูคมกริบการไว้ใจคนไม่ซื่อในวันยากลาบากก็เหมือนฟันที่ผุและเท้าที่สวนเซ คนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าออกในวันอากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาราดบนแผลพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวนจนะของพระเจ้ามีทั้งสิ้น6ข้อด้วยกันครับแบ่งเป็น2ตอนใหญ่ๆครับ3ข้อแรกพูดถึงเรื่องของการรู้จักประมาณตนการรู้จักประมาณในคำพูดการรู้จักประมาณในกลิ่นการกิน ต่การรู้จักประมาณในความสัมพันธ์ฉันเพื่อนส่วน3ข้อหลังครับก็พูดถึงเรื่องคนที่เป็นพยานเท็จคนที่ไม่ซื่อสัตย์และคนที่หนักใจพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าพระวจนะพระเจ้านั้นพระเจ้ า, รจาตรัสอะไรกับเราในเช้าวันนี้ข้อแรกครับในข้อที่15ความอดกลั้นอาจชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นอ่อนหวานอาจโน้มน้าวใจให้อ่อนลงได้สุภาษิตข้อนี้ พูดถึงเรื่องของความรู้จักประมาณตนอดกลั้นอดทนครับโดยการหักห้ามใจอดกลั้นใจอดทนผู้ครอบครองอาจถูกชักนำได้ในด้านของคำพูดครับถ้าเรารู้จักที่จะอดกลั้นหักห้ามใจที่จะไม่พูดบางสิ่งบางอย่างอย่าพูดยาวเกินไปครับถ้อยคำที่อดกลั้นอดทนหักห้ามใจนั้น ก็จะมีพลังอย่างมากได้พูดง่ายๆก็คือว่าจะสามารถชักจูงชักนำผู้ครอบครองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจได้พี่น้องครับการรู้จักประมาณตนในเรื่องของความอดทนอดกลั้นหักห้ามใจใช้ถ้อยคำที่สงบและอดกลั้นสามารถทำลายการต่อต้านการต่อต้านทธิยากมากๆนะครับที่เราเอาชนะไม่ได้ มันสามารถชนะได้ครับพี่น้องครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้พระกัมพีได้เปรียบเทียบบอกว่าลิ้นที่อ่อนหวานนั้นก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจที่แข็งให้อ่อนลงได้คาว่าใจนะครับในภาษาเดิมนั้นใช้คาว่าโบนซึ่งแปลว่ากระดูกครับลิ้นที่อ่อนหวานนั้นอาจสามารถทำลายการต่อต้านก็คือกระดูก กระดูกที่แข็งครับพี่น้องครับกระดูกเป็นส่วนของร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอยู่ภายในบุคคลหรืออยู่ในคนเราการทําให้กระดูกหักหรือการหักกระดูกนั้นก็พูดถึงเรื่องของการที่คําพูดที่อ่อนหวานสามารถทําลายสิ่งที่ต่อต้านที่แข็งแกร่งที่สุดและลึกที่สุดได้พี่น้องครับบทเรียนในข้อนี้ก็คือให้รู้จักที่จะอดกลั้น ให้เรารู้จักใช้คำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่สุภาพคำพูดที่สามารถที่จะโน้มน้าวแต่ใจคนได้ไม่ต้องใช้เยอะครับไม่ต้องพูดมากครับแต่พูดด้วยความสุ ข, ขุมพูดด้วยความอดทนพูดด้วยท่าทีที่ให้เกียรติเคารพยำเกรงข้อต่อไปครับในข้อที่1ิถ้าเจ้าพบน้ำพึ่งจงกินแต่พอดี ถ้าเจ้าพบน้ำพึ่งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เรากินมากเกินไปบริโภคมากเกินไปแม้ว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนั้นเราจะชอบก็สามารถที่จะสร้างอันตรายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและกลับกันสิ่งที่น่าขยะขยงพี่น้องครับเรื่องของการประยุกต์ใช้ความคิดนี้ก็คือว่าการที่เราจะต้องมีชีวิตที่สมดุลครับชีวิตที่เดินทางสายกลาง นะครับอะไรที่เกินไปก็ไม่ดีครับอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีพระเงมพีบอกว่าถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างการฝึกในทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางพี่น้องครับหลายหลคนเราใช้เวลานะครับไม่สมดุลบางคนใช้เวลามากไปเรื่องของการออกกำลังกายไม่มีเวลาในการออกกำลังฝ่ายวิญญาณเนี่ยครับคือการประยุกต์ใช้ครับ เวลาที่เราทำอะไรมากจนเกินไปไม่ว่าจะทำงานหรือการรับใช้มากจนเกินไปโดยไม่มีการพักผ่อนนั่นแหละครับคือผลเสียที่เราไม่สามารถที่จะทำอย่างมีประสิทธิภาพได้ถ้าเราไม่มีการพักผ่อนถ้าเราไม่มีการมีเวลาที่สงบกับพระเจ้าต่อไปบบข้อ17ครับก็พูดถึงเรื่องของการประมาณตนในเรื่องความสัมพันธ์อย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อย เกรงว่าเขาจะเอื้อมระอาเจ้าและจะเกลียดชังเจ้าพี่น้องครับอย่าอยู่กับเพื่อนนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าความคุ้นเคยนั้นทําให้ความสัมพันธ์มันด้อยค่าไปมีปลาคนหนึ่งครับบอกว่าผู้เยี่ยมเยียนและปลาจะส่งกลิ่นเหม็นหลังจาก3ามวันไปแล้วนั่นหมายความว่าการอยู่กับใครนานเกินไปครับมันก็ จะไร้ค่ามันก็จะทําให้คุณค่านั้นด้อยลงพี่น้องครับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับการที่ไม่ควบคุมตัวเองแม้ว่าเพื่อนสนิทก็ตามครับมันจะทำให้ความสัมพันธ์มิตรภาพของเรานั้นแย่ลงมิตรภาพนั้นมันจะเติบโตครับผ่านทางความรู้สึกไวความรู้สึกที่ระมัดระวังที่จะไม่บุกรุกความเป็นส่วนตัว และที่จะปล่อยช่องว่างให้คนสามารถที่จะใช้สิทธิของเขามีความสะดวกสบายของเขามีโซนของเขาครับการเอาเพื่อนมาตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือเรียกร้องเวลาของเขามากจนเกินไปนะครับก็จะทำให้เสียมิตรภาพครับเสียความสัมพันธ์พี่น้องครับเราจะต้องมีการรู้จักการประมาณตนการควบคุมตัวเองครับ ฉะนั้นหากจะสรุปทั้ง3ข้อนี้นะครับตั้งแต่ข้อ15ถึงข้อ17เนะครับเราจะเห็นว่าการรู้จักประมาณตนในการใช้คำพูดรู้จักที่จะหักห้ามใจอดทนอดกั้นนะครับใช้คำพูดที่อ่อนหวานก็จะสามารถเอาชนะสิ่งที่เอาชนะได้ยากและการจูงใจผู้นำนะครับที่จะทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงครับ ต่อไปเป็นข้อที่1 6บ7ก็พูดถึงเรื่องของการกินน้ำพึ่งมากเกินไปนะครับเปรียบเหมือนกับการที่เราทําอะไรมากเกินไปนะครับเช่นการเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านบ่อยเกินไปก็ทําให้เขาเกลียดชังได้การทําอะไรที่มากเกินไปอาจสร้างปัญหาได้นะครับนานๆ ห, หนึ่งก็พอครับคําว่านานๆ ห, หนึ่งนั้นแปลตรงตัวว่ามันจะทําให้มีค่าหรือเพิ่มค่านะครับ value added โดยทําให้มันหายากขึ้นครับ บุคคลสามารถที่จะยับยั้งการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านบ่อยเกินไปนะครับก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีขึ้นครับการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านบ่อยเกินไปนะครับมันก็จะเกิดความลำคาญมันก็จะเกิดการไม่เห็นคุณค่าครับแต่นานๆไปเยี่ยมทีหนึ่งนะครับจะทำให้มีค่านี่คือสิ่งที่พระกัมพีบอกครับ ต่อไปครับเป็นข้อที่1 8บแ2 0ก็พูดถึงเรื่องของพยานเท็ดคนที่ไม่ซื่อสัตย์และคนที่หนักใจเราเริ่มต้นในข้อที่18ก่อนนะครับในการเป็นพยานเท็ดในศาลครับผู้ใดเป็นพยานเท็ดกล่าวหาเพื่อนบ้านของตนก็เหมือนกับกระบองศึกหรือดาบหรือลูกธนูคมกริบพี่น้องครับในการเป็นพยานเท็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถทําลายสามารถทะลุทะลวงเหมือนกับมีดหรือธนูครับเป็นอาวุธที่ สามารถทําให้คนหนึ่งบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้เพราะฉะนั้นเราเราต้องไม่ทำนะครับหลีกเลี่ยงที่จะใช้กระบองศึกดาบและลูกธนูที่จะทําลายเพื่อนของเราการโกหกและการให้พยานเท็จนะครับสามารถทําร้ายเพื่อนบ้านของเราได้ต้องระวังครับเปรียบประดุดอาวุธร้ายที่ถึงขั้นทําลายชีวิต ของเราได้ในข้อ19ครับได้พูดถึงฟันที่ไม่ดีแล้วก็เท้าที่ไม่ดีการวางใจคนที่ไม่ซื่อในวันยากลําบากก็เหมือนฟันที่ผุและเท้าที่ส่วนเสพี่น้องครับเท้าไว้สําหรับเดินฟันไว้สําหรับกินครับเนื่องจากว่าคนเรานั้นต้องพึ่งพาฟันในการกินและการดื่มพึ่งพาเท้าในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนการพึ่งพาคน ที่ไม่ซื่อสัตย์ก็เหมือนกับการที่ฟันผุครับเวลาเคี้ยวอะไรมันก็จะเสียวแปลบเวลาที่เดินไปไหนมันก็จะปวดเขา่าปวดขาเนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นภาพเปรียบเทียบครับว่าการวางใจคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในวันยากลำบากก็เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับเราควรที่จะต้องไม่เป็นพยานเท็จนะครับก็จะทาให้มิตรภาพของเรา นะครับถูกต้องความสัมพันธ์ของเราก็จะดีกับคนอื่นข้อสุดท้ายในวันนี้ครับคือข้อที่20ซึ่งยากพอสมควรครับคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าออกในวันอากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาราดบนแผลพี่น้องครับเมื่อแรกอ่านพระกมีข้อนี้นะครับก็ไม่คิดอะไรแต่พอไปเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษนั้นก็เกิดความสงสัยเพราะว่าวลีที่ว่า เหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาราดบนแผลภาษาอังกฤษใช้คำว่าเวเนกาซึ่งแปลว่าน้ำส้มสายชูมาราดบนแผลนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซดานะครับโซดาก็เลยต้องไปหาดูครับว่าโซดาน้ำนั้นคืออะไรก็เราพบความจริงอย่างนี้ครับคือการร้องเพลงหรือพยายามร้องเพลงที่มีความสุขให้กับคนที่มีความทุกข์ใจมันก็มีความโหดร้ายครับพอๆกับการขโมยเสื้อผ้าของเขา ตอนหน้าหนาวครับก็เปรียบเสมือนกับการเทน้ำส้มสายชูลงไปบนแผลครับมันก็จะปวดมันก็จะแสบนะครับแต่ว่าการเทน้ำส้มสายชูบนแผลนั้นมันเป็นการแปลของฉบับเซฟตัวจิน้นซึ่งเป็นภาษาลาตินครับแต่ว่าภาษาเดิมภาษาฮีบรูนั้นก็มีความหมายว่าการเทน้ำส้มลงไปบนโซดาหรือโซเดียมคาร์บอเนตครับซึ่งโซเดียมคาร์บอเนตนเนี่ยนะครับ ในภาษาเดิมนั้นเขาใช้ว่าไนโตรหรือไนเตรนะครับหรือนูตรอนนะครับซึ่งเ ป, เป็นสารตัวหนึ่งครับที่เป็นเกลืออยู่ใต้พื้นทะเลสาบที่แห้งแล้วผู้คนในตะวันออกกลางครับก็มักจะมีการซื้อขายไอตัวเกลือไนเตรหรือนูตรอนนี่แหละครับและบอกว่านูตรอนนี้มันมีฤทธิ์เป็นด่างครับ ถ้าเราเอาเวเนก้าซึ่งเป็นน้ำส้มมันมีฤทธิ์เป็นกรดเทลงไปในสารประกอบหรือเกลือที่มีฤทธิ์เป็นด่างมันก็ไม่เข้ากันครับนั่นหมายความว่ามันเกิดความขัดแย้งกันอย่างสูงเหมือนกับซ้ายกับขวาขาวกับดำบนกับล่างเหมือนกับน้ำกรดมาราดบนแผลมันก็แสบครับฉะนั้นการทาอะไรทุกอย่างนั้น ต้องมีการรู้จักประมาณตนรู้จักการละเทศะและรู้จักคนครับการที่เราจะต้องรู้วิธีการรู้การละเทสะรู้จักการประมาณตนรู้จักคนมันจะทำให้มิตภาพของเรานะครับยั่งยืนถาวรตลอดไปอาเมน